ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงคาลโวนิวัฏโตอหิงสาอโหสิโดยพระ 26 กันยายน 2547 ที่พุทธสถานสันติอโศกขอ อย่าหลงความดีอย่าเอาความอหิงสาอโหสิ 4 คำนี้นี่จะเป็นยอดนะ แม้แต่ผู้เนาะผู้ใหญ่จะเคารพผู้น้อยก็ได้ ไม่ใช่กระด้างกระด้างกระเดื่องยิงพยอ้งไม่รู้ต่ำรู้สูงไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่เสียหายหมดนะเพราะฉะนั้นมีคารวะนิวาโตแปลว่าทําตนอ่อนน้อมทําตนมีการอ่อนน้อมทําตนคืออย่าไปเป็นผู้แข็งกระด้าง นะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ต้องพยายามเข้าใจดีแล้วว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่โกหกไม่ใช่หลอกลวงๆกับอ่อนน้อมเหมือนกัน มีฝีมือมีสมรรถนะแล้วบอกแล้วทําไม่เป็นโกหกไม่เก่งๆแล้วเราก็ไม่เก่งโกหกเราทําเก่งโกหกไม่ได้ แต่มีวิธีที่เราอย่าไปโอเบ่งเบิงอะไรเก่งก็เก่งดีกว่าดีสามารถก็สามารถแต่อย่าไปที่ใดเบ่งอ่ามีเชิงลีลามันก็บอกญาณเหมือนกันเป็นศิลปะเหมือน นะเหมือนการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้นอกจากอหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ไปรุกรานอันนี้ ผู้ที่มีอำนาจพยายามที่จะหาอโศก ไม่ทําอโศกต้องพยายามเป็นคนกลุ่มเดียวในโลกเลยแต่ ไม่รบไม่ฟังให้ดีนะอโศกหนีลูกเดียวใครจะมาเบียดเบียนเราเราก็ไม่ให้เขาเบียดเบียนเราคือเราหนีไม่ให้ สูงไปกว่าเบียดเบียนนี่ก็คืออะไรไม่เบียดเบียนแต่ช่วยเหลือช่วย พ้นเบียดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านช่วยเหลือตนเองให้ตนเองอยู่รอดแล้วก็ช่วยคนอื่นได้อีกนอกจากไม่เบียดเบียน แค่เอาเปรียบเนี่ยมันก็ไม่ว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีๆแล้วเสียให้ มันไม่ใช่เรื่องต่ําเรื่องต้อยมันไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องดีไม่ให้เราทําถ้าพูดแล้วมันจะไปเอาเปรียบปนลืม พูดเนี่ยฟังธรรมเสร็จนี่ปั๊บเอาไปข้างนอกไปถึงบ้านของเรามันเผลอมันเหมือนคนๆมี เราเองจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนเสียสละสร้างสรรค์เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ย เป็นคนมักน้อยซันโดดได้เป็นคนที่ไม่เอามากแต่ๆแล้วเราก็ชีวิตมีชีวิตพอเพียงแค่นี้เราก็พอไม่ 1>, 1 คน 5 คน 8 คน 100 คนล้านคนแหวมีโอ้โหมันจะเป็นยังไงเนาะฮะ สักล้านคน 65 ล้านคนทํามีสักล้านแม้ๆสักล้านคนนี่นะยิ่งยิ่งจะน่าดูๆด้วยมันมี สมาชิกตรงๆสมาชิกที่รู้ก็ชัดๆและสมาชิกที่ไม่ตรงทีเดียวอยู่อ่า จะมาส่งเสริมจะมาเอ่อเอ่อสนับสนุนอะไรต่ออะไรจะเห็นได้ว่าเอริสนับสนุนไม่มีอ่ะในสื่อสารต่างๆจะมาสนับสนุนส่งเสริมว่าแต่ความรู้สึกของคุณรู้สึก นี่เชิญๆเห็นด้วยมั้ยแต่ไม่กล้าไม่กล้าส่งเสริมไม่กล้าประกาศตูประกาศตนงั้นดีอย่างรู้ๆอยู่นะว่าดียังไงบ้างรู้แต่ยังไม่กล้าดีแล้วล่ะๆ เพราะจะมีคณะโตรับแขกไว้เดี๋ยวเค้ามาดังขึ้นมาล่ะมาแล้วเรามียูนิตเดียวรับแขกไม่ไหวเราก็ตายอ่าไอ้เรื่องนี้ ให้สิ่งนี้แล้วไม่ได้เงินเค้าจะมาเอาเงินเรามันมีให้อยู่แล้วเค้าจะมาเอาทองเอาเพชรมันก็เราไม่มีให้อยู่แล้วเราจะให้คุณธรรมเราจะๆแล้วให้เค้าเปลี่ยนความประพฤติน่ะเราจะ ถ้ามันได้ดีอย่างเงี้ยเรามาบ้าง 10 บ้างเดียวบ้างเดียวบางคนก็ 2 บ้าง 10 โทคนไหน 11 ก็ เอ่อโอ้โหก็จะเป็นจ่าก็จะเป็นสัญญบัตเนาะเอ่อมันไม่ง่ายนะเพราะงั้นคนโปนัสก็จะมาเอาอ่ะเค้าจะมาเอาอะไรเค้าไม่รู้หรอกกูจะเอาหมดดีไม่ดีไม่มีอะไรมึง <laughs> ไปดึงไปฉีกไปดึงบ่ถึงไปอะไรมันเอามันหลงงมงายเนี่ยก็ดูไอ้ 444 อะไรมันมาน่ะยังจะไปจองห้องแล้วอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดผ้าปูที่นงที่นอนหมอนมุ้งอย่าไปทําอะไรนะ เออก็ๆจะจริงจะเท็จยังไงอาตมาไม่รู้ว่าข่าวมันออกมาอย่างงั้นจริงๆพวกคุณก็คงได้ข่าวไม่ใช่อ่ะเนี่ยมันจะเอาอย่างงั้นเอาปกๆงั้นน่ะ นี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังในความตื้นเขินของมนุษย์ชาติอ่าเพราะงั้น มีจิตวิญญาณเราจะเป็นผู้ที่ให้ไม่เบียดเบียนใคร บาดเจ็บมารับกันไปนะมาส่งมารักษาแผลไทยน่ะรักษาด้วย อาหารไม่มีไม่มีเวลาไปทําอาหารกินแล้วก็สร้างอาหารเอามาเลี้ยงเราเลี้ยงหมดฝ่ายน้ําเงินๆเราต้องเป็น ที่รบกันนี่เค้าไม่ฆ่าพวกที่ไปคอยพยาบาลรักษาพวกกาชาติพวกให้อาหารนี่เค้าไม่ฆ่าหรอกไม่ฆ่าหรอก นี่ก็หิงสาใครเคยดูหนังคานทีมั้งไม่ว่าพวกตนมาร์คานทีพวกคานทีก็ไปก็ไม่ ไม่ต้องกลัวหรอกตายแล้วบนี้ก็เกิดอีกจะเอาตายแล้วเกิดดีด้วยเพราะตายด้วยกุศลใช่มั้ยลบไม่เวลากับใครเพราะเราจะไม่เกิดมาก็ มีแต่จะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเค้าตั้งจิตไว้ให้สูงเลยว่าเราจะ <c oughs> ไม่ใช่ประโยชน์ต้นคือโลภมากโลภเท่าไหร่ไม่พอประโยชน์ต้นคือจะสะสมเอากอบโกยประโยชน์ต้นไอ้นั้นเบียดเบียนเบียดเบียนต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเบียดเบียนกับประโยชน์นี่มัน เราต้องทําให้ได้คนคนนึงเนี่ยในตัวคนคนนึงเนี่ยทั้งกินทั้งใช้ไม่เท่าไหร่ คุณสร้างมาแล้วคุณก็เอาไปขายในระบบทุนนิยมก็คืนมาอีกหมดนี่ระบบทุนนิยมก็เป็นนี้อยู่ๆเพราะคนพวกนี้ไม่มีค่า ความเพราะฉะนั้นหยั่งก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการต้องขยันจนกระทั่งเป็นหมาหอบแดด ภาระเราก็ไม่ต้องหนักหนาสาหัสการแย่งชิงการต่อสู้การเบียดเบียนกันก็ลดลงข้อสุดท้าย เราอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปพัวพันกับวิบากอะไรต่ออะไรต่างๆนานานะไม่ว่าในการจะพัวพันหรือ เลิกแล้วต่อกันแล้วต่อกันอโหสิกรรมนี่คือขอให้เลิกเออเถอะดีแล้วก็จบมันจบไปแล้วเองดีก็เป็นกุศลเอง แค้นต้องชําระเออผมจะต้องไอ้หนวดไอ้เนียอะไรได้ถ้าเลิกเลยใครจะมาทําเถอะมันเป็นกรรมของเขาเราอย่าไปนัว ค่าเขาจะจองเครือของเขาเราหนีเรื่องเดียวตลบหลีกไม่ต้องมาจะเราเข้าด้วยถึงจะเอาๆยอด คือทุกอย่างนี่ให้มันเป็นกรรมเป็นกิริยาที่ดีเป็นกุศลเมื่อเป็นกรรมกิริยาที่ดีเป็นกุศลแล้วทําแล้วก็ทําศาสนาพุทธเชื่อกรรมเชื่อวิบากกรรมวิบากเป็นทรัพย์สั่งไปแล้วก็ให้เราได้อาศัยมันจะได้ถ้าเรามีมากๆๆ แล้วจะพร้อมในเรื่องกุศลด้านนั้นด้านนี้ซึ่งพระอจินไตยมันเป็นเรื่อง 5 ปียัง 10 ปีก็ยัง กุศลจะมาเสนอมาสนองดีๆๆมากๆมัน มันก็เป็นของจริงศาสดาพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้ตรัสรู้เรื่องกรรมไม่ได้แบ่งให้ใครก็ไม่ได้ เสลามันก็เป็นกรรมบิบัติไปบวกลบคูณหารกันเองอันนี้น่ะอจินไตยพระพุทธเจ้าเอง ถ้างดน้ําเงินมีแต่แดงมันก็จะออกแดง ดาวมาทําละเอียดละอ๋อเป็นสัจจะที่ไม่มีโกงไม่มีหลอกไม่ตรงไม่มีขบถสัจจะเนี่ยไม่มีโกงทุกอย่างซื่อตรงที่ พระศาสนาพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยใครเชื่อกรรมเชื่อวิบากก็ทําให้เถิดชาติกี่ชาติจะเกิดตายแล้วก็สิ้นได้แล้วนิมนต์ทีนี้คุณอยากจะอยู่อ่ะ เพราะโลกนี้ไม่ขาดทุนเลยคุณเป็นอรหันต์แล้วคุณจะเกิดไม่ได้ขาดทุนไม่ได้ทําให้โลกนี้สั่นสะเทือนอะไรนี่เป็นทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าค้นพบมัน เพราะว่ายังมีขันธ์หน้ากับทุกขันธ์หน้าทุกปวดขี้ก็เรื่องของท่านเท่าใครท่านเสียสละด้วยถ้าท่านจะปรินิพพานไปท่านก็ทํา หลักสําคัญก็คือลดกิเลสให้ได้จริงๆเพราะพระพุทธเจ้ายืนยันว่ากิเลสนี้ลดได้จริงตราบใดที่ยัง ปฏิบัติตามธรรมถูกตามธรรมพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าถ้า คารวะนิวาโตอหิงสาโหสินี่แหละเราจะทําอย่างจริงๆเนี่ยอาตมาเข้ามา ก็บีดพันนี่นะก็มาผสมพันธุ์ให้มันเป็นพันธุ์เป็นคนพันใหม่แล้วเป็นคน เปลี่ยนแปลงถึงขั้นจิตวิญญาณได้ขนาดนี้นะเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เป ไม่ต้องกลัวจนต้องกลัวจนไม่ต้องทุกข์เพราะความจนอ่าแต่ก่อนนี้มันมีแล้วมันจนลงกว่าเก่าเออก็ไม่ทุกข์ฮะไม และด้วยสัจจะอาตมาขอยืนยันว่าคนมาจนนี่แหละเป็นการช่วยสังคมเพราะเราไม่ได้สอนคุณว่ามาจนจนมางอมืองอเท้าจนมาขี้เกียจ รู้จักสาระอย่าไปไร้สาระอย่าไปฟุ่มเฟือยซรุอิสราเอลไปพรานทําลายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรนั่นเลิกมาเลิกมามันติดมัน จนยังมีเหลือเฟือเนี่ยมันจนยังไงพูดไปพูดมามันเหลือจริงๆเหลือจนเราเกื้อกูลคนอื่นจนๆเหลือจนเราเกื้อ มันจนประหลาดมหัศจรรย์จริงๆด้วยมันจนยังใช่ไม่มีภาระปัญหาทางอกุศลมันมันเป็นการจนที่ไม่ ตนเองก็ได้ด้วยนะเราได้ให้เค้านี่เราได้มั้ยได้ยังได้ น่าได้ลดความโลภได้ลดความหยิ่ง 7 ตัวเราหรือเราเป็นประโยชน์คุณค่าต่อเขาเนี่ยพูดให้มันชัดขึ้นมาเราได้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อเขาเราได้เรา น่าอายเราเอาเปรียบเค้าเรียกเราเราบ่ ในวิธีปฏิบัติก็ต้องพยายามตาม 8 ปฏิบัติทั้งทุกขณะทุกเวลาที่มีชีวิตรู้ตัวทั่วพร้อมกระทบ วิชชาสังคปะเป็นยังไง 1 ดํริ 2, 2> ดํริในพยาบาทเปลี่ยนอย่าเอาไม่เอามันยังมีอาการกามลดมันมีอาการพยาบาทลดหรือดับต้นเบียดเบียนท่านลดอ่าบด หยุดแล้วก็อ่านใจเราด้วยว่าใจเราเนี่ยเป็นเหตุทําไมต้อง เธอมันหยาบไปไอ้มันหยาบเพราะรักมีมั้ยเนี่ยพอรักก็พูดหยาบก็หยาบเหมือนกันคือมันมันเยิ้มไปมันหยาบแล้วมันน่าเกลียดใช่ สังคมีมิจฉา 3 ของกัมมันตะอาตมาก็พูดซ้ําทบๆก็แล้วกันปิฉา 5 ของอาชีวะตตคุหนาลัปปนาเนมิตกัตตาลาเพนะลภังนี่จะ 2500 กว่าปีมาแล้วทํางานฟรียัง อาตมาเมื่อทุกวันนี้ทุนนิยมในกุหนายังหนักเล่ห์เหลี่ยมใช้กลเม็ดหยาบคายโกงกันหน้าดันๆเอา ตลาดหลักทรัพย์มีคนมาถามอาตมาว่าไอ้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นวิธีการที่ดีหรือเปล่าวิธีที่โหดร้ายและ ยอดนักทุนนิยมที่ดูดได้ยอดเยี่ยมเพราะผู้ที่มีฐานทรัพย์ผู้ที่มี ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นวิธีทําให้ปลาใหญ่ใหญ่ขึ้นปาก เราอย่าพลัดเข้าไปในวงจรกระแสของอนันต์กันแล้วกันอย่าไปยุ่งก้ามันถอนตัวออกๆอย่างเงียบ คุณเดินไปซื้ออะไรต่ออะไรข้างนอกซื้อส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนั้นซะนี้แล้วสินค้าเหล่า อ่าเพราะมันพากันลงหุบลงเหวกันมากมายแล้วเพราะงั้นเราก็พยายามภาคๆขึ้นมันก็จะ เขาเขาจะมานี่จะดูดมาได้เขาก็จะต้องมีทัศนะคติของเขาเองที่จะมองมาอ๋ออย่างนี้ อาตมาพูดเนื้อหาจบแล้วพูด มนุษย์เราเนี่ยน่ะก็อยู่กับโลกสังคมธรรมดาสามัญตามธรรมชาติเรียก แล้วก็จับตัวกิเลสได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฝึกฝนศึกษาเรียนรู้เรื่องมนุษย์ชาติ ครูแจกรู้จริงแล้วก็เอามาเปิดเผยมาเราเนี่ยมีกิเลสเป็น กิเลสแต่มันบังคับเหมือนพระเจ้าเลยเป็นซาตานแต่มันบังคับเหมือนพระเจ้าเลยอ่าบงการนี่เป็น อ่าด้วยสํานึกธรรมมันของคนเนี่ยอยากจะทําความชั่วมั้ยไม่อยากทําความชั่วอ่าๆนี่โจรก็ไม่ไม่อยากปล้นหรอกเค้ารู้ๆก็ นี่เป็นเรื่องสามัญของมนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นกิเลสที่ตัวอยากได้ตัวที่จะต้องเอาให้ได้นี่แหละกิเลสตัวที่มันชั่วเอาให้ได้ๆที่ทําชั่วมันก็บังคับให้ ทำยังไงก็ก็ไม่อยากทําแต่มันสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันยิ่งใหญ่กว่าใช่มั้ยกิเลสมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระเจ้ามันบังคับมนุษย์นะพระพุทธเจ้าคนพบกับกิเลสตัวนี้เป็นตัวการสําคัญ พาคนให้ทำทุกข์ทำยากให้แก่ตัวเองด้วยให้แก่สังคมด้วยมันบังคับ มันมีอาการมีอำนาจมีฤทธิ์แรงครอบงำคนเก่งกิเลสมันมีอาการอย่างนั้นเลยเพราะงั้นในเวทนาอารมณ์ จะเรียก feeling ก็ได้เรียก emotion ก็เรียก feeling เรียก emotion หรือเร emotional นะมันเป็นอาการอย่างนั้นแหละอาการที่มันจิตของเรามันอ่านอาการอ่านนิมิตคือเครื่องอาการมันเป็นเป็นอาการยัง อากาอย่างนี้คืออาการโลกอาการอย่างนี้คืออาการโกรธมันต่างกันเรียก นะอาการเป็นโลภอย่างนี้เรียกว่ามันโลภอย่างนี้เรียกว่าโทสะมันต่างกันๆเราจะอ่านได้ ไม่ไม่ไม่สุขหรอกมันเป็นความลำบากเป็นความทุกข์ๆภาษาใหญ่ๆซะก่อนเราจะเรียนรู้ ในจิตนี่แหละมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์ในอารมณ์มันด้วยมันเป็นตัวจิตแต่มันก็ อาการของกิเลสเนี่ยมันเหมือนจิตมันครอบงําอยู่ในจิตมันเป็นพลังงาน ว่าหมดเจ้าจึงให้เรียนรู้ตัวนี้ ทางนี่ว่ามรรคเรียกว่าทางลูกทางปฏิบัติอ๋อปฏิบัติต้องอ่านอาการทางจิตของเราในเวลาที่เราได้ยินทางหูเห็นด้วยตาเกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ชังเกิดอารมณ์ พอได้ยินเสียงก็เกิดละนี่คนพูดไม่ถูกหูมาละเถิดละโกรธละอ่านความจริง ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเพราะเราจะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงไม่ใช่ไปนั่งหลับตาตั้งสมาธิแล้วก็ทําฌานฌานของพระเจ้าน่ะฌานลืมตาคือรู้จักกิเลสนี่แหละกิเลสที่เรียก เมื่อเรารู้แล้วนี่เรียกว่าทางหรือมีวิธีปฏิบัติก็เรียกว่าทางวิธีปฏิบัติให้ลดละกิเลสนี้ลง แล้วก็จะฝึกเป็นลืมตานี่แหละไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วสะกดจิตไว้กดข่มเอา เมื่อทําได้เป็นครั้งเป็นคราวเรียกว่าตถังคปหานทํา หยุดดื้อๆเท่านั้นแหละสมวิปัสสนานั้นไม่ใช่หยุดดื้อๆ ตะกอนนี้เรามีแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละไอ้ตัวที่มันไม่ดีนี่เราก็เอาปัญญาหรือเอา เจvette είναιจำนวน ไม่ใช่จริงๆ แล้วชิux กิ substances มันก็อ่อนตัวcjon บา somas คิชี lord są หรือสีใด Actually ก่อนของป่าในข้าบท โขompass รương bispoch พ BAR D lesserกส schönس就是脑 篩很 α staged Sn Türkiye สงส Around qué ยัง ni forum to be a remote so Rudelur Fund Hi I So My smokingcies 0625 06255 med days i had moved here to be a부 focused on flat म setting wood riceiv ce language in totalalyôt intake this system belle viewer system, no lie at all, no sleep if you got it วิธีนั้นก็ทําได้แต่มันไม่จริงมันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เพราะมันไม่รู้ตัวโจรมันไม่ เพราะมันมีเห็นความจริงทํากับความจริงอย่างไม่ใช่ทําล้มหลวมอย่างวิธีสะกดจิตนี้ก็ลดกิเลสกดคมไปกดคมกิเลสๆแล้วก็สงบยึดสงบสงบดิ่งเกาะ พอปรตรู้อ่าต้องปรตรู้จะๆเฉยๆลืมสิ่งอื่นแบบฤาษีเนี่ยคือมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่ในคลองโลก อธิบายอยู่เนี่ยพาทําอยู่เนี่ยท่านเรียกธรรมท่านคือมรรคองค์ 8 นะอ่านเลยในจิตใจเรียกว่าตกะมิตกะหรืออาชีวะแล้วๆขณะ พูดกันอยู่ก็ต้องฝึกจิตให้ไวฝึกจิตให้อ่านจิตไปด้วยเราพูดก็รู้เราก็ทํากายกรรม ให้ตัวเองได้ประโยชน์กินหญ้าให้แก่ตัวเองแล้วก็ชำเลืองดูลูกๆชำเลืองดูลูกเลี้ยงลูกว่าลูกมัน สรุปแรกก็คือมีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแล้วก็คือมีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมีด้านเลยอ่าเป็นงานที่ได้ทั้ง คนที่พูดอย่างนี้คือคนไม่ใช่พุทธคนที่ไม่รู้จักว่าวิธีปฏิบัติพุทธคืออะไรเออบอกคน 8 โพชฌงค์ 7 หรือ 37 เนี่ย ปฏิบัติอยู่ในขณะที่เรากําลังมีมีทํางานทําการทําอะไร <c oughs> ท่านเรียกภาษาบาลีว่ามุทุภูตะมุทุภูตหรือมุทุภูตะพูตะก็คือจิตมุทุแปลว่าอ่อนหรือเปลี่ยนแปลงง่ายอ่อนนี่คือ จิตจะแวววายในภาคของสมถะภูตะแปลว่าจิตหัว <c oughs> เป็นอะไรอะไรอัยอ้อก็กระทบโลกครูเลยว่าไออ่าถามไอถูกต้องถูกต้อง อัตตปุรายฝึกแล้วจิตใจของเรานี่จะเป็นมุทธุภูตะหรือมุทธุพูดพอ มุทุนี่แปลว่าอ่อนถ้าจิตถูกว่าอ่อนนะไม่ดื้อไม่ด้านไม่แข็งกระด้างปรับก็ง่ายเปลี่ยนแปลงที่มันมีกิเลสก็เอากิเลสออกได้ง่ายรู้แล้วรู้เร็วรู้ไว บดีสุทธิปริสุทธิเทมุตตุภูเตกรรมนิเยทีเตอเนชปัตเตนี่เป็นพระบาลีนะเป็นองค์ธรรมของๆได้ล้างกิเลสออกไป แปลว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเหมาะควรแก่การงานความจริงฉะนั้นกายกรรมเราก็จะเหมาะจะควรจะดีควรจะดีขึ้นเพราะว่าจิตมันดัดกิเลสปรับกิเลส จะดำรินึกคิดจะพูดจะจาจะกระทําการงานอะไร ก็ตามเกี่ยวข้องกับคน से भव बुद्ध शरणं गच्छामि